ใช่ถูกต้องผู้ใดเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องนักปุณิพานก็ไม่ว่างจากคนพวกนั้นเมื่อพวกเราปากันไปปฏิโยตามหลักสติปัฏฐานเรียกว่ามักผลนิพานก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์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 ไม่ผิดในความถูกต้องของกายจีจัยก็จะมีการวิเวกเกิดขึ้นจึงเวล่องช่วยเหลือเมื่อใจมีวิเวกเกิดขึ้นสงบจากาตาัต่างๆอุปธิวิเวกก็เกิดขึ้นได้พ้นจากกันนั่นพ้นจากอาร น, นี้เห็นความหลงเปล่ยนหลงเป็นรู้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 ไม่อาการต่างๆก็งป็ความไม่เที่ยงมันกบเกลื่อนไนความไม่เที่ยงอยู่กับอาการอาการก็เป็นที่เกิดแต่ความไม่เที่ยงต้อนเล่นอยู่ก็เห็นมันกบกลบกื่นแล้วมันปิดแล้วมันพ่วงไว้แล้วก็หงายไว้เปิดไว้ความเท็ความจริงเป็นยังไงแล้วก็เห็นแช่งเข้าไปเรื่อยๆ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 เห็นแล้วเห็นอีกนี่ประโยชน์ก็เห็นบ่อยๆมันก็ชำนาญในการเห็นกาหนดรู้ในการรู้กาหนดด้วยการละกำหนดด้วยการทำให้หมดไปมันหมดไปได้ก็หลงเกิดกายตัวไม่เที่ยงเกิดอะไรก็ตามมันมันหมดไปได้จริงโดที่มันหมดไป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 ความไม่ใช่ตัวตนลายเป็นความลูกไปเสียแล้วมันลงตัวแล้วถ้าได้รู้แล้วถูกต้องแล้วจัมผั ด, ดูัก็รู้ความหลงไม่จริงจังอะไรความลูกเป็นของจริงกว่าปาาัจจุบัจัดจะความหลงเป็นสมมุติความทุกข์ก็ไม่เพียงความไม่ทุกข์นี่เป็นของที่จริงกว่าเป็นจัดจะทําดูแล้ว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 ในความเป็นทุกข์ที่อยู่กับกายกับใจของเราเน่ถ้าเราสัมผัส ด, ดูดีๆมันน่าจะมีประโยชน์ในความเป็นทุกข์ถ้าสัมผัส ด, ดูดีๆมันจะหัวเราะในความเป็นทุกข์ได้ในความทุกข์นั่นอ่ะมันจะเป็นรสชาติของสัจจะอันหนึ่งจนได้พูดออกมาว่าพุทธโธพุทธโธปาตโธ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 ถางหลายจงยังเพื่อไม่บาดให้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็เอาความหลงหละเป็นความรู้เกินลงไปรูล้ลงไปขณะที่มันหลงรูล้ลงไปขณะที่มันทุกรูล้ลงไปขณะที่มันโกรธเหมืนโตตรงนี้เหมือนนกอินทรีมันก็โตตรงที่มันจับบ่ยบอยๆกินอาหารบ่ยบอยๆโตไปสติจะเป็นอินทรีย นิวนณ์เราจะเป็นบ้านแรงไปเลยใหม่ๆนิวนณ์เราทยิ่งใหญ่ของขั้นได้เวลานิวนณ์เราทพอเงามอ่อนหมดเลยเวลามัน ง, ง่วงมือก็ยกไปขึ้นก้าก็ก้าวไม้ไปตาก็หลืดไปขึ้นอ่อนไปหมดเลยนั่งก็หลงโขดลหลงงอกะงบงอกแง ก, กหมดไปเลยเหมือนกับ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 เงยเกินไปก็จิตใจฟุ้งซ่านแม้แต่เดินจับกองก็จะก้มกันไปยังเงยกันไปให้ความสูงของการเดินมองไปกับปลายเท่าไอ้มีความยาวเท่ากันความสูงมันจะได้ฉากโดบปลีกเลยครับ้ม า, ามาง่วงเลือนตามปขึ้นมองไปหายอดไม้ต้นยางตะเคียนทงองฮอกกใน ถ้ายอมดูให้ติดตา น, อตอ น, น, น, นี่คือต้นนั่นนี่คือออกไปสักหน่อยแล้วค่อยกลับ่าตามในใจนอกจากนั่นก็อาจมีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวมือแรงๆสักหน่อยอย่าไปทาอ่อนเดา ย, ยกปกแปกปกแปกให้มันชัดเจนเข้าไปยกมือขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะหางหายไปกว่าม่วง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 จะประเมินตัวเองใ่ความรู้นี่เป็นสิ่งบุกเบิกไปรู้ไว้ก่อนจะถูกกะผิดรูวยก่อนมีฐานอยู่ในรู้ไว้ก่อนจะประเมินว่าทำมาทำมาทำไมำไม่ไมมจึงหลงไม่ค่อยได้อะไรเลยอะไรถูกอะไรผิดหาคบตอจากความคิดไม่ใช่นักกรรมฐาน นักกรรมฐานจะไม่ค่อยหาคําตอบจากความคิดให้การทําพาไปลิขิตไปทำอย่างนี้บรรลุอย่างนี้อตัวนี้จะพาไปแล้วกรรมจําแนกไปจะเห็นช่องเห็นทางไปแล้วก็สอนตัวเองอย่างนี้ฝึกหัดตัวเองอย่างนี้เป็นภาคสนามจริงๆการ์รตือ์เรือลน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 เว้าประสบ ก, กับความหลงก็ไม่ทิ้งธรรมเวลาประสกกบความโกรธก็ไม่ทิ้งธรรมบายความโกรธเป็นความโกรธย่อยความหลงกั็ความหลงยายความทุกข์เป็นความทุ ก, ก, ทกข์จอให้อะไรเป็นไรเป็นตามเรื่องของมันกิเลสปัญหาตะน่าลอยแปดให้มีสติเข้าไปสอดแชกสอดลู้สอดเถินเหมือนผู้ค่มงานโฟแมน เรือสาปัดตูจดอ่อนถ้าคนงานทางานไม่เป็นดูจดอ่อนถ้าเราดูผ่านตาเราเห็นกับตาอันก็มั่นใจถ้าทำอะไรไม่ดูไม่เห็นกบเกือนได้ช่อนเล่นได้อันตัวเราเนี่ยมันปิดบังได้ให้เห็นนั่นมันหลงนั่นแหะ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 ไปสู่จิตก็ไปไกลแล้วไปสู่ธรรมเองก็ยิ่งครอบไปหมดเลยครอบความแหมนาจมากลายเป็นอารมณ์ไปเลยนึกว่าอารมณ์เป็นตัวเราไปเอาอารมณ์มาเป็น จ, จิตใจวอมโกรธเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจผวมทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจกล่มหลงเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจิต ใ, ใจเราก็ถือว่าเราซะ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 สวยดีขาวสูงหน้าตาดีเป็นลักโจนนทีตันนี้ตั ว, วก็ขอไทยโจรเอามาเป็นสามีของตนเองแล้วอะไรก็ไทยโจรก็ยังเป็นโจรอยู่ก็ อ, อยู่ด้วยกันก็จะฆ่าเมียตัวเองเพราะมันเป็นโจรอยู่แต่คนที่เป็น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 แล้วนางนี่ก็ไปบวชเป็นพิกษุนีมาเห็นเรื่องความรลักมันหลอกตาเห็นก็หลอกเกิดความรลักขึ้นมาไม่เชื่อความหลอกความรลักมันหลอกเราความกดมันหลอกเลาเข็ดหลามเอามาเป็นบทเลียนฝึกตนเองฝึกตนเองจนได้เป็นพระอาหารหันต์ในพิกษุนีเชื่ออะไรไปหาคนดู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 เห็นอหิงสกะมานพเลียนเก่งรุ่นเล่าเขาเดียวกันแล้วก็อิดช้าอาหิงสะมานพว่าจะเก่งตัวเขาแลว้วางหัวกันหลอกให้อาจารย์ไล่อหิงสะมานพหนีอาจารย์ก็ได้ยินหูเบาเกินไปเชื่อลูกศิษย์ส่วนมาก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 แต่ก่อนแร้วว่านิวรณธรรมปัจบันนี้เป็นนาการกลมวงอหอนอนคันมะเลยสงสยัยจิตใจพุ่น้านตามมาลาค่ะปฏิฆะมานาทิฐิท่วมยึดบ้านถือมันในอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนนิดหน่อยแต่เราไม่รู้การ่วง่ญ่มากพัดเหล่าหัวหวัดหมอเบี้ยงผมลุกคุกขานกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 แยกตรงนี้ขาุขแกแจ้โซ่ตรงนี้โซ่มนแจ้ขญแจ่ไม่ขมันไปมารอดที่พบสี่ชาติโวนเวียนอยู um ่น <artist> ี่อที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดหืิดดับเกิดดอกหลายพบหลายชาติเกิดรักเกิดชังเกิดกอดเกิดโลกเกิดหลงเกิดผุกเกิดจกิจเด็ดตัณหาลาคาไมู่้ักจบสักทีนไม่มีสลาเลยแค่นี้หรือชีวิตเรา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 ขอให้ได้พูดลองในบ้างมีเพื่อนมีหมู่มีมิตรมีสานที่ก็ อ, อยากจะพูดลองในกันถ้าไมพูดลองในกันลูกจะมีชีวิตอยู่ยางไงยิ่งข้าวเสียข้าวเปล่าชาวบ้านเรื่องข้าวเรื่องปลาอาหารสร้างที่อยู่อาศัยห้เราขอดแสดงความถูกความผิดที่มีอยู่กับเราให้เราเห็นไปดูออเองถ่ายให้ ด, ดูแล้ว มันหลงไม่ใช่เรามันหลงคือความหลงสักว่ามันจกมันทุกข์สักวะุกว่าทุกข์เนี่ยแยกออกมานะจะเป็นอินทรีย์อันยิ่งใหญ่จะติอินทรีย์ใหญ่ันไว้ลายถูกต้นสอนตรวาวาจะอยู่ในโลกอย่างงดงามจะงางามถ้ามาฝึกตรงนี้ก็อ่อนแดดูกทับผมถูกโรคทับผมบุรหลานท่านว่า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 ความทุกข์ความสุกทับถมถ้าเห็นลรามันทบไม่ได้มันสูงขึ้นมาเห็นความโกรธขี่คอความโกรธเห็นความทุกข์ขี่คอความทุกข์การขี่คออันนี้เราเราวิ่งแข่งขันกันเราขี่คอคนที่วิ่งแต่คนที่วิ่งพยายามจะวิ่งเราก็ขี่คอมาอยู่มันเจไปเรากขี่คอความเจอะ